คนคนคนเราเนาะคนปกติส่วนใหญ่นะมักจะรู้สึกว่าการที่เราได้ทําสนองตามความความอยากความต้องการความพอใจนะการทำสนองสิ่งต่างๆ่างเราเนี้ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นความสุขนะหรือเป็นความสบายเป็นความ ผ่อนคลายแต่ถ้าเราต้องอดกั้นอดทนไม่สนองตามความอยากไม่สนองตามความต้องการมันจะรู้สึกว่ามันเป็นความอึดอัดเป็นความทุกข์เป็นความไม่สบายใจอันนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยก็คิดแบบไม่ง่ายหรือทำแบบไม่ง่ายก็ สมมติเช่นถ้าอยากกินเนาะก็หาหาอะไรมากินนะอยากดูนะก็หาดูนะอยากจะคุยนะก็ก็คุยเลยนะอยากจะนอนก็นอนเลยนะอยากจะทำอะไรก็ทำเลยนะบางคนก็เชื่อว่าไอ้แบบนี้แหะนะคือมันเป็นเสรีภาพนะเป็นสิ่งที่ที่ดีของชีวิตเรา อยากทำอะไรก็ทำเลยนะจัดจัดให้นะนะมันก็เป็นความสุขจริงๆเหมือนกันแหละนะแต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเล็กๆน้อยๆนะเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราได้สนองตามความต้องการตามความอยากหรือจะเรียกว่าสุขจากการที่ได้สนองกิเลสก็ได้นะแต่มันเป็นความสุขที่ที่เจือได้โทษนะเป็นสุขที่เจือได ปัญหาไปสุขที่มันต้องอาศัยสิ่งที่ต้องสนองตามความอยากแต่ถ้ามันไม่สนองตามความอยากนะมันก็จะรู้สึกว่าเป็นความทุกขนะ์แต่ก็มีอีกหลายคนที่คิดว่าอืแต่บางทีในชีวิตเราเองบางทีหลายสถานการณ์เนะเราก็ไม่สามารถที่จะสนองความต้องการนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ หลายสถานการณ์เราต้องอดทนอดกั้นนะมันจะรู้สึกว่าเป็นความทุกข์มากนะเช่นอยากจะกินอะไรเนาะเขาไม่ให้เรากินนะเช่นสมมติหลายคนจะเห็นว่าผู้ป่วยหลายคนเช่นเป็นเบาหวานเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดมากนะบางทีอยากจะกินของห ว, วานหวานอยากจะกินของมันมันมนะ ได้ความเคยชินนะมันก็จะรู้สึกพอไม่ได้กินนะมันก็รู้สึกอึดอัดนะรู้สึกลำบากนะไม่ชอบนะพเพราะวลาเราเคยสนองความต้องการบ่อยๆแต่พอต้องมาอดทนอดกั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันทุบมากเช่นหลายคนอาจจะรู้สึกการใช้นะการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้อิเนเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ถ้าอยากใช้ก็ใช้เลยแต่บางที พอไปอยู่ที่ที่ไม่มีคลื่นโทรศัพท์นะมันจะรู้สึกว่าอืมมันทําไมไม่ได้ใช้นะอยากจะแสวงหาหรือดิ้นรนที่จะได้มาซึ่งการได้ใช้ให้ได้นะมันจะรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์เพราะที่จริงชีวิตคนเราเนาะมันไม่ได้จะสนองตามความต้องการได้ตลอดนะแม้เราจะเก่งขนาดไหนแม้เราจะมีทรัพย์ขนาดไหน แต่เราก็ต้องประสบกับสิ่งที่ที่ไม่พอใจอยู่บ้างนะเราก็ต้องเจอในหลายสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะสนองความต้องการนะําความอยากได้บ้างนะการอดทนอดกั้นนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมนะเป็นความทุกข์นะของใจเป็นความทุกข์ของกายนะอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะอยากดูไม่ได้ดู หรือแม้แต่บางทีปฏิบัติธรรมนะอยากจะคิดนะก็ไม่ได้คิดนะอ่ อ, อสอนให้วางความคิดนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าอึดอัดนะแต่ถ้าเราเห็นโทษนะถ้าเรา เ, เมื่อไรที่เราเห็นโทษของการที่เราสนองตามความอยากเมื่อนั้นแหละเราจะเห็นคุณของความที่เรารู้จักอดทนบ้างนะอดทนนิดๆ น, นะ มีความหนักแน่นในใจบ้างเราจะเห็นได้ว่าที่จริงความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะพอเราไม่สนองมันเนี่ยมันก็มันก็ดับไปนะมันไม่จำเป็นที่เราต้องสนองมันทุกครั้งไปหรอกพอเรารู้จักนะอดทนไว้บ้างเนี่ยฝืนไว้บ้างนิดนึงเนี่ยมันจะเกิดกำลังขึ้นมาในใจเออเราก็มีความเข้มแข็งอดทนบ้าง แต่ที่จริงเราไม่ได้อดทนแบบแบบอดทนนะอดทนอย่างเดียวหรอกแต่ถ้าเราฝึกสตินะเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูความอยากความต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเราจะไม่ได้อดทนแบบต้องทนอย่างเดียวแต่เราจะอดทนเพราะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นการพัฒนาชีวิตของเรานะที่ไม่ต้องว่าเป็นธาต ตามความอยากเสียอย่างเดียวแต่ก่อนเราจะเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นทาตของกิเลสนะวิ่งตามกิเลสนะทาตามกิเลสพูดตามกิเลสแต่พอเรามีสติเราจะรู้สึกว่าเออชีวิตที่ไม่ต้องสนองกิเลสเนี่ยมันเป็นชีวิตที่สบายกว่านะการอดการทนเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเราไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทานะ แต่จริงเราเรากระทำกิเลสนะเราไม่ใช่ว่าเราต้องทนนะเพราะกิเลสมันย่อยวนเนาะที่จริงถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นกิเลสที่มันแสดงความอยากขึ้นมาถ้าเราก็แกล้งมันนะแกล้งมันไม่สนองตามมันได้หรือเปล่านะเช่นอยากจะกินอ่ะก็ดูซินะมันจะอยากกินสักเท่าไหร่อนะ่ะสักพักหนึ่งมันก็หายไปของมันนะ อยากจะดูดูสินะดูใจของเราเน่ะมันมีความอยากแบบไหนพอเราไม่สนองมันเดี๋ยวมันก็มันอาจจะอึดอัดบ้างนะในช่วงแรกแรกแต่ถ้าดูจริงๆเราก็ดูแบบแกล้งแก้งมันเออไม่สนองมันก็ก็ได้นะหรือเราปฏิบัติธรรมเข้มข้นสักหน่อยเนาะบางทีอยากจะนอนนะอยากจะคิดนะพอเราไม่สนอง มันมันก็อยู่ได้นะปลึกอดทนไปเรื่อยดูไปนิดนิดนิดนิดนะดูไปทีละขณะความง่วงมันก็หายไปได้นะความคิดเหรอมันจะล่อให้เราคิดเราไม่ไปปรุงต่อมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะมันก็มาร่อใหม่นะเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้านะเราไปเที่ยวที่ไหนก็แล้แต่เดี๋ยวเราเข้าตลาดหน้าที่ของ แม่ค้าพ่อค้าเขาก็ต้องเรียกเรียกคนมาซื้อสินค้าของเขาหนะ้าที่ของกิเลกก็เหมือนกันเขาก็เรียกนะเขาก็เรียกเขาก็เชิญชวนเขาก็เย้ายวนให้เราอมาเสพสินค้าของเขาเหมือนกันแต่เราเนี่ยเป็นผู้เลือกนะเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องถูกเขาเลือกอย่างเดียวนะไม่ใช่เขาเลือกมาตามตื้อเราเราต้องถนองเขาทุกครั้งไปไม่ใช่ว่าแม่ค้าพ่อค้า นะอยากให้เราซื้อเราก็ต้องซื้อทุกครั้งไปอันนั้นเราไม่ได้เป็นผู้เลือกแล้วเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วก็สนองตามที่เขาเลือกแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเป็นอิสระนะจากสิ่งย่อยวนนะเขาจะมาเชิญชวนให้เราเลือกให้เราหลงให้เรารักให้เราชังแต่เราก็สามารถที่จะเป็นอิสระนะจากความย่อยวนตรง น, นั้นได้นะถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะเลือกได้นะ เลือกที่จะปฏิเสธนะสิ่งที่มันเป็นโทษสิ่งที่มันเป็นอกุศลที่มันมาเย้ายวนให้จิตใจของเรามกมุ่นหลงนหะลงในความรักหลงในความชังหลงในความเกลียดนะหรือหลงในความเบือ่อนะมันก็จะมาหลอกเรานะให้ให้ตามไปแต่ถ้าเรามีสติ อ, อ้าเราก็แกล้งมันนะแกล้งมันไม่ทําตามมันดูสิเป็นยังไงนะ สักพักมันก็หายไปนะนะถ้าเรามิสตินะเราจะเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเห็นความอยากที่มันเกิดขึ้นในใจเราละมันได้เราแก้งมันได้เราเป็นอิสระจากมันได้เนี่ยมันจะเมื่อใดที่เราเห็นแบบนี้นะเราจะรู้สึกว่าการที่ไม่สนองกิเลสเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าการสนองกิเลส น, นะเพราะว่าอะไรเห็นแล้วว่ากิเลสมันเกิดขึ้นเราพ้นจากมันได้แล้วนะ มันทําอะไรเราไม่ได้แล้วมันจะรู้สึกว่าเออมันจะเห็นคุณค่าของการการฝึกจิตฝึกใจนะให้รู้เท่าทันกิเลสแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจให้สามารถอยู่เหนืออํานาจของกิเลสได้ถ้าเราค่อยๆทําตรงนี้ได้มันอาจจะไม่พ้นจากอํานาจของกิเลสทุกตัวหรือทุกขณะหรอกนะในการฝึกนะ มันก็รู้ทันบ้างหลงไปบ้างบางอย่างก็ทำได้บ้างบางอย่างก็ยังทำไม่ได้บ้างแต่ถ้าเราค่อยๆสะสมกำลังในการที่เราทำน่ะได้ไปเรื่อยๆนะนมันจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละน่คือคุณค่าของชีวิตของเร า, าชีวิตที่ไม่ต้องตกเป็นทาสของความอยากชีวิตที่เป็นอิสระจากกิเลสได้บ้างน่ะมันจะสัมผัสได้ว่าอ้ชีวิตแบบนี้มันคือความ ความสุขนะมันคือความเบาสบายของจิตใจนะแล้วเป็นชีวิตที่เราสามารถที่จะเลือกสรรได้นะในการกระทําในการพูดนะเราจะใช้กายนะในการทําคุณงามความดีเราจะใช้คําพูดวาจาในการทําคุณงามความดีแต่ก่อนนะเราจะไม่ค่อยรู้ทันเ น, ะนาะเวลาพอมันเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจก็ พูดน่าออกไปหรือทําอะไรออกไปพอมาระลึกได้ทีหลังก็ค่อยบางทีเราก็เสียใจเนาะเสียใจในคําพูดของเราไม่น่าพูดอย่างนั้นกับลูกเลยไม่น่าพูดอย่างนั้นกับเพื่อนเลยนะไม่ว่าไม่น่าพูดอย่างนั้นกับพ่อกับแม่เลยนะไม่น่าไปตีลูกแรงขนาดนั้นเลยนะไม่น่าทําสีหน้าแบบนั้นกับแฟนเลยนะ มันก็จะรู้สึกว่ามันไม่น่าทำเลยเพราะอะไรเพราะตอนที่เราจะทำนะเราไม่รู้ทันนะเราก็เลยไม่มีสติยั้งคิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำพอเราไม่รู้ทันเราก็เลยทำพอทำไปแล้วขาดสติต่อก็เลยโกรธนะตัวเองนะหรือว่าไม่พอใจตัวเองที่เราหลงนะแต่ถ้าเรามีสตินะ ขณะที่มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความไม่พอใจใคร เ, เกิดความอยากอะไรนะพอเรารู้ทันเออเราก็ไม่สนองนะตามความโกรธไม่สนองตามความอยากาการกระทำตามคำพูดนะมันก็เป็นปกตินะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอา่าเมื่อเมื่อการกระทำหรือคาพูดเราไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมหรือทำแต่สิ่งที่ดีนะความทุกข์มันก็ไม่ตามมา มันก็มีแต่ความสุขมันก็มีแต่ความสบายว่าเออเราไม่ได้ทำผิดเนาะเราไม่ไดออ้ทำอะไรที่เป็นโทษแก่ตัวเราหรือแก่ผู้อื่นจิตใจมันก็มีความสุขมีความเบาสบายนะไม่โทษตนเองนะมันก็สึกภูมิใจในตนเองได้อันเนี้ยเกิดจากการที่เรามีความรู้สึกตัวนะในขณะที่ จิตใจมันเกิดความคิดหรือเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรารู้สึกตัวเราก็เป็นอิสร ะ, ะจากกิเลสตัณหาต่างๆนะถ้าเราก็ทําตามสิ่งที่สมควรทํานะไม่ทําตามสิ่งที่ไม่สมควรทํานะพูดนะหรือว่าทําอะไรต่างๆก็เนี่ยมันก็เป็นศีลเป็นธรรมอยู่ในตัวเนาะบางทีเราก็ต้องรู้ทันตัวเนี้ยดูด้วยในชีวิตของเรามันมีเยอะนะทันท่ ทางความคิดบ้างทางการกระทําบ้างหรือทางคําพูดบ้างเนี่ยถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะอุดดูรั่วมันจะอุดนะสิ่งที่เราเผลอไปทำํำนะสิ่งที่ทําเนี่ยอ่าถ้ า, าภาษาพระจะเรียกว่ากรรมนะกรรมคือการกระทํำนี่แหละนะการกระทําเนี่ยก็มีทั้งสามทางนะนะคิดเนี่ยก็เป็นกรรมนะนะ พูดก็เป็นกรรมทาก็เป็นกรรมนะแต่กรรมคนส่วนใหญ่จะคิดว่ากรรมคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันเหมือนเราเราโดนกระทานะแต่ที่จริงกรรมน่ะคือสิ่งที่เรากระทานะเมื่อเราได้กระทาแล้วมันก็เลยเกิดผลของกรรมนะที่เรียกว่าวิบากกรรมนะผลของกรรมนะทากรรมดีผลก็อาจจะเป็นบุญ ทำกรรมไม่ดีผลก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าบาปนะก็คือเกิดผลดีเกิดผลไม่ดีตามมาทีหลังอันนั้นเรียกว่าวิบากของกรรมแต่มันจะเกิดอะไรเมื่ อ, อไรตอนไหนมากน้อยเท่าใ่เราก็ไม่รู้นะนะทำไมเราต้องเจ็บปวดเจ็บป่วยทำไมเราต้องโดนเขาว่าทำไมเราต้องนะประสบกับปัญหาชีวิตนะมันก็เป็นเรื่องของวิบากของกรรม ที่เราเคยกระทำมาทัางนั้นแหละนะแต่เราไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไปคิดว่าเราทำอะไรเนาะเขาถึงทำแบบนี้กับเราบางทีมันก็บอกยากนะมันบอกไม่ได้อันเนี้ยเมื่อเราทำกรรมเนี่ยวิบากของกรรมหรือผลของกรรมเนี่ยย่อมเกิดแน่นอนนะนะแม้แต่เป็นพระลหันนะก็กรรมก็ต้องเกิดกับท่านเหมือนกันอย่างพระโมคคานะนะในอดีตนะก่อนที่ชาติที่สุดท้ายของท่าน ท่านก็เคยทำกรรมหนักนะนะลวงลวงพ่อรวงแม่ที่ตาบอดนะให้ไปในป่าแล้วก็เชื่อคำของภรรยานะว่าพ่อแม่ของสามีเนี่ยทำร้ายตัวเองนะโมคลานะตอนนั้นก็หูเบานะเชื่อภรรยาก็เลยลวงเข้าไปในป่านะฆ่าท่านนะเสียชีวิตทั้งสองนะ ก็เป็นกรรมที่เคยกระทําในอดีตชาตนน้นนะแม้ชาสุดท้ายเป็นพระอารหันต์เป็นพระที่มีฤทธิ์มากนะหนีขึ้นนนีขึ้สวรรค์หนีลงนรกหนีไปที่ไหนนะก็หนีกรรมไม่ได้นะสุดท้ายก็โดนอนะ่ก็รู้ว่าผลของการกระทํากรรมที่ไม่ดีมันก็มีอยู่มันก็ต้องโดนโจรมาทุบทำร้ายตายนะแม้จะมีฤทธิ์มากขนาดไหนก็ยังหนีกรรมไม่ได้นะเออ แต่ท่านหนีกรรมทางใจได้นะท่านโดนกระทำทางกายโดนทุบโดนตีนะแต่ท่านไม่ได้ทุกข์ทางใจนะถ้าเราจะหนีกรรมก็หนีกรรมทางใจนี่แหละนะบางทีวิบากของกรรมเนะี่ยมันส่งผลมาแต่ถ้าเรามีสติเรามีปัญญานะเราจะยอมรับวิบากของกรรมได้นะเราจะเห็นว่าปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจหรือเกิดขึ้นกับกายเนี่ยนะ ทีเกิดขึ้นกับกายเราแก้ไม่ได้แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเราแก้ได้นะเราวางได้เช่นเราป่วยนะหนักๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของที่เราทํากรรมในอดีตก็ดีหรือทํากรรมในปัจจุบันตามหลักของเหตุผลแบบการกินการอะไรก็ดีนะก็แล้วแต่คนจะวิเคราะห์ อ, อะไรแต่ที่สำคัญเนี่ยเราจะวางใจได้ว่าเออในเมื่อตอนนี้มันเจ็บปวดเจ็บป่วยแล้ว ยอมรับมันตามความเป็นจริงเลยนะแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับมันเมื่อไรที่ใจเราเผลอไปทุกข์นะมันนั้นก็คือเราลงไปยึดว่าเอ้ยร่างกายเนี้เป็นของเราเนาะเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเมื่อไรเราจะเห็นว่าเออกายมันก็เป็นสักแต่ว่ากายมันไม่ใช่กายของเรานะมาเป็นเียสักแต่ว่ากายนะไอ้ที่มันทุกข์อยู่เนี่ยมันก็คือกายนะมันคือรูปนะ แต่เราถ้าขาดสติเราก็เลยเผลอไปทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเป็นผู้ที่เห็นเห็นกายมันทุกข์อันนี้คือกรรมที่มันเกิดนะมันเป็นวิบากที่ต้องส่งผลแน่นอนนะทุกคนแต่ที่จริงการทำกรรมนะการกระทำเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้ทันจริงๆนะกรรมก็คือมันก็ส่งให้เป็นนิสัยเป็นเจดิตเป็นการกระทำต่อเนื่องของเรานะี่นแหละนะ มันไม่ใช่แค่ส่งผลแต่ได้รับวิบากของกรรมอย่างไรบ้างแต่จริงเราทําอะไรไบ่อยมันก็เลยกลายเป็นนิสัยของเราแน่แหละนะเราเคยเราเคยทําตามความโกรธไปบ่อยนะเราก็เลยกลายเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหนะบางคนก็สงสัยเอ้ยทำไมแต่ละคนนิสัยแตกต่างกันเพราะว่าทํากรรมนี่แหละแตกต่างกันใช่ไหมบางคนเนี่ยเคยให้ทานบ่อยบ่อยเคยให้ทานบ่อยบ่อยจิตใจก็คุ้นกับการให้ทาน มันก็ให้ทานได้ง่ายนะแต่ถ้าคนไม่เคยให้ทานเลยเนี่ยโอ้ยไม่จะรวยเป็นเศรษฐีขนาดไหนก็ไม่อยากให้คนอื่นนะแต่บางคนเนี่ยแม้ฐานะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่เขาก็รู้สึกว่าการเสียสละการให้ทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนะเป็นสิ่งที่ทาได้ง่ายเหมือนถ้าเอาแบบตัวอย่างแบบเจ็บยามหน่อยนะเหมือนเราหลายคนนะ ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่เราก็รู้สึกว่าการไม่กินเหล้ากัรไม่สูบบุหรีเนะี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากนะจะมีใครมาชวนมียั่วยวนขนาดไหนอ่านะไม่ต้องซื้อหาเอามาให้ก็ยังไม่อยากกินเลยไม่กินเลยแต่สำหรับคนที่ติดเหล้าติดบุหรีเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ทํายากมากนะที่จะไม่ทําตามมันนะมันได้กินมันได้เห็นมันก็อยากแล้วนะใช่ไหมเพราะว่ากรรมที่ทําตามกันนี่แหละนะ เราทำกรรมอะไรนะมันก็ส่งผลเป็นจติดนิสัยของเราที่จะต้องสนองตามมันนี่หลวงพ่อคมเขียนท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมวิบากนะแล้วก็เป็นเรื่องของตัณหาที่มาสัมพันธ์กันบางทีหลวงพ่อจะยกว่าเนะ่ะอย่างคนติดบุหรี่ะนะพอเราสูบนะพอเราสูบบุหรี่นะสูบบ่อยๆมันก็เลยติดนะพอพอมันติดแล้วมันก็เลยเกิดเป็นความอยาก นะพออยากก็เลยสูบนะพอสูบก็เลยติดพอติดก็เลยอยากพออยากก็เลยสูบมันก็วนแบบนี้นะวงจรของชีวิตเรากิเลสกรรมวิบากนะมันวนกันแบบนี้นะเหมือนงู ก, กินหางนะเป็นวงกลมไปเลยที่จริงกิเลสทุกตัวก็เป็นทำนองนี้นะเรื่องบุรีก็ดีเรื่องเล่าก็ดีเรื่องอบายมุข ก, ก็ดีหรือจริงเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ก็ดีนะ เราเสพอะไรบ่อยๆน่ะมันก็ติดบนแบบเนี้แหละเราจะแก้ที่ตรงไหนเราก็แก้ที่การกระทํมนี่แหละอ่าพอเราไม่สูบนะมันก็เลยไม่ติดพอเราไม่ติดมันก็เลยไม่อยากพอไม่อยากมันก็เลยไม่สูบนะพอเราไม่กินมันก็เลยไม่ติดนะพอมันไม่ติดมันก็เลยไม่อยากพอไม่อยากมันก็เลยไม่สูบนะแต่อันเนี้ยเราสามารถทําได้นะทุกคนแต่ค่อยๆทํา บางอย่างมันติดมากเราก็ต้องค่อยๆ อ, อดทนบ้างค่อยๆลดบ้างนะเนกรทางมันละได้นะนะเราก็ต้องถ้าเราเห็นคุณค่าของการที่เราบางทีเราก็ต้องอดทนบ้างไม่สนองตามความอยากนะอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะคุยพอเราไม่สนองมันนะแรกงมันเหมือนคนติดติดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะรู้สึกว่ามัน มันเป็นความทุกข์นะเป็นความที่รู้สึกอึดอัดใจแต่ถ้าเราทำไปบ่อยเออมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันก็จะเบาขึ้นแล้วเราก็จะเห็นนะว่าที่จริงการไม่ติดการไม่สนองโอ้มันเป็นความเบาเป็นความสบายเป็นความสุขนะไม่ต้องมีปัจจัยมาสนองก็สามารถมีความสุขได้มีความเบาใจได้อันนี้ถ้าเราเป็นผู้เห็นนะ เห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยเราจะเป็นอิสระจากมันได้นะเราจะหัวเราะเยาะสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจได้กิเลสมันแสดงอะไรมาเราหัวเราะเยาะมันได้นะเราเล่นกับมันได้เราหยอกกับมันได้นะเราไม่ต้องสนองเป็นทาสของมันตลอดไปนะอันเนี้ยถ้าเราพยายามฝึกตัวเองให้ให้มีความอดทนอดกั้นบ้างนะใหม่ใหม่หมอดทนอดกั้น ไม่ทำตามความอยากทุกครั้งไปนะพอเราอดกั้นแล้วก็เป็นผู้ดูมันเรื่อยๆเนะี่ยเราจะค่อยๆห่างนะห่างจากกองไฟที่มันความโกรธในใจเนะี่ยมันจะเป็นผู้เห็นว่าเห็นว่าใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเวลามันโลภมันอยากจะได้อะไรนะเราแต่ก่อนเราเนี่ยอดทนอดกั้นจากความอยากมากอยากจะซื้ออยากจะหาโอ้มันเป็นเรื่องที่ยาก แต่พอเราอดทนไปเรื่อยๆเนี่ยเงินในกระเป๋าเราก็มีนะถ้าจะซื้อก็ได้แต่ไม่ซื้อก็ไม่เห็นเป็นไรเนะี่ยของเราก็มีอยู่เยอะแยะอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายเออ ม, มันไม่ใช่ว่าอดทนอดกั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำทุกอย่างนะแต่ถ้าอะไรเป็นความต้องการในชีวิตจริงๆนะเราก็ทำนะนะเราก็ตอบสนองความจำเป็นของชีวิตแต่เราจะไม่สนองความอา่า ความอยากที่มันเกินความจำเป็นของชีวิตของเรานะชีวิตของเรากนะ็พอเพียงมากขึ้นเบาสบายมากขึ้น น, ะนี่เราก็เป็นผู้ผู้ดูมันโดยเฉพาะถ้าเราต้องปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นมากขึ้นนะนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเข้มข้นนะ <c oughs> เพราะกิเลสตัณหามันยั่วยวนเรานะไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเข้มข้นเนี่ยแค่มา ปฏิบัติอยู่ที่วัดนะมาเก็บอารมณ์เท่านั้นนะอันนั้นอาจจะเป็นเรียกว่าที่จริงมันเข้มข้นแบบมีเงื่อนไขที่ช่วยนะเช่มนมาอยู่วัดไม่ได้กินข้าวเย็นมาอยู่วัดไม่มีที่ไม่มีที่นอนสบายไม่มีอะไรดนะูมันเป็นตัวช่วยที่ช่วยให้เราทำได้ต่อเนื่องมากขึ้นแต่จริงการปฏิบัติที่เข้มข้ น, นจริงๆเนะี่ยคืออยู่ในโลกนั่นแหละ เพราะโลกมันยั่วยวนเราทางตาหัวจมูกรินกายแล้วก็ใจถ้าเราไม่มีการอกําลังใจที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะถูกโรคยั่วยวนไปได้มากเลยจริงการปฏิบัติที่เข้มข้นจริงคืออยู่ในชีวิตประจําวันของเรานนัแหละเวลาเราออกไปทํางานเวลาเราไปอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะมีกิเลสมายั่วยวนเราเยอะอมันก็ทําให้เราต้องมีสติคอยรู้ทันมันให้ได้บ่อยๆให้ได้เยอะๆนะ เท่าที่จะทำได้นะแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะทำนะมันก็จะทำได้บ้างหลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้ทันใหม่นะเราก็จะไม่โทษตัวเองนะนะผู้ที่มีสติอะไรที่มันทำผ่านไปแล้วมันเผลอไปแล้วมันหลงไปแล้วเออก็ก็วางใจได้เนาะเราจะกลับมาแก้ตัวใหม่ที่ที่ตอนนี้นะไม่ใช่กลับไปแก้ตัวใหม่ในอดีตนะไม่ใช่แก้ตัว นะกับคนอื่นนะพูดแก้ตัวนะกับสิ่งที่ทําผิดแต่เราจะแก้ที่ใจของเราที่เผลอนะไปเมื่อกี้นี่แหละอืมเผลอไปเสียใจเผลอไปทุกข์ใจเผลอไปโทษนะอะไรนะเราก็กลับมาดูตัวเองแล้วก็วางนะวางสิ่งที่มันเผลอไปยึดนะเผลอไปแบกเผลอไปถือไว้ในใจนี่แหละเราก็มีสติก็ค่อยๆวางนะ ถ้าเราเป็นผู้ดูเราก็จะเห็นนะแต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเห็นใจแล้วก็วางได้นะมันก็รู้สึกนะว่าโกรธแต่มันก็ยังโกรธอยู่มันก็รู้สึกว่าอยากแล้วก็มันมันลำบากมากนะเราก็มีกรรมฐานเป็นตัวช่วยนะการกลับมารู้กายนะว่าทำอะไรอยู่เนะี่ยมันจะช่วยให้เรากลับมานะกลับมาหากายเนะี่ยกายมันไม่ค่อยคิดนะกายมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ กลับมารู้สึกถึงสิ่งที่เราทําอยู่นะเรานั่งนะก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนกินก็รู้ว่ากินนะพอเรากลับมารู้สึกแค่กายเฉยๆเนะี่ยมันจะเป็นการวางความคิดนะวางการปรุงแต่งชั่วขณะเพราะจิตที่รู้เนะีนะ่ยจิตที่รู้เนะีนะ่ยมันก็วางความหลงไปแล้วนะแม้ชั่วขณะหนึ่งนะ มันก็เรากลับมารู้กายบ่อยๆกลับมารู้กายบ่อยๆเนี่ยจิตก็จะค่อยๆวางเหตุผลวางความคิดวางอารมณ์ต่างๆบางทีเราใช้ความคิดมากนะว่าเราจะทําอะไรเนี่ยบางทีเราใช้ความคิดนะเราจะไม่ทําอะไรบางทีก็ใช้ความคิดนะนะใช้เหตุใช้ผลมาชั่งมาตวงมาวัดอะไรต่างๆแล้วหัวเราก็เลยไม่ว่างจากความคิดทุกทีเลยนมีแต่คิดคิดคิดนะแต่พอเรากลับมารู้ ตายนะมันทําอะไรเนี่ยมันได้วางความคิดแล้วนะวางความคิดมารู้สึกนะถึงการเดินถึงการยืนถึงการนั่งถึงการนอนแบบธรรมดาธรรมดานะ่ะพอเรามารู้สึกเฉยๆนะนะสมองมันก็ว่างนะแต่ไม่ใช่เป็นคนสมองกลวงนะนะวเวลาจะคิดก็คิดได้นะเนะวลาจะคิดก็คือตั้งใจคิดนะตั้งใจคิดเป็นเรื่องการงานตั้งใจคิดแล้วก็วางได้ แต่คนเราเนี่ยบางทีเราฝึกให้ใช้ความคิดนะคิดเก่งนะแต่เราวางความคิดไม่เป็นเราไม่ค่อยฝึกในการวางความคิดนะการกลับมารู้กายเคลื่อนไหวรู้ว่าทําอะไรเนะี่ยเป็นการฝึกวางความคิดก่อนจะนอนบางทีเราก็หาเรื่องมาคิดเนาะถ้าเรากลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวเนะี่ยมันก็เป็นการวางความคิดแล้ว กินข้าวบางทีเราก็คิดเรื่องการเรื่องงานคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจนะกินไปแล้วก็พอคิดไปก็ข้าวที่กินก็ไม่รู้สึกรสชาตินะไปกินร้านอาหารแพงๆนะแต่กินไปคิดไปพูดไปเนะี่ยดิ้นสัมผัสรสนะแต่ใจไม่รู้สึกไม่ได้ประโยชน์อะไรนะอืได้ประโยชน์ในเรื่งคุณค่าของอาหาร แต่ได้ไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องของรสชาติที่ได้สัมผัสนะแต่ถ้าเราทำอะไรนะเรารู้ตัวไปเรื่อยเนี่ยออสิ่งต่างๆที่เราได้สัมผัสเนี่ยมันก็จะมีความสุขมันมีความสวย ม, มีความงามอยู่ขนาดที่เราทำนะแค่เดินจงกรมนะในวัดเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะเป็นความสุขที่เกิดจากการแค่รู้สึกว่าได้เดินนะเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ เนื่นได้นั่งยกมือเนี่ยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเพราะมันไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องแบกอะไรมันเป็นความสุขที่เกิดจากการเบาสบายทางความคิดแล้วก็จิตใจอันนี้แหละคือความสุขที่ถ้าเราสามารถสัมผัสได้นะมันจะเป็นความสุขที่ที่มากกว่าความสุขที่เกิดจากจากการสนองตามความอยากนะของตัณหา แต่เป็นความสุขที่ไม่สนองตามตัณหาเป็นความสุขที่เกิดจากการละตัณหาเป็นความสุขที่มันจะเบาสบายขึ้นจิตใจของเราจะเบาสบายขึ้นถ้าใครนะมีความตั้งใจอยากจะมีความสุขให้ยิ่งขึ้นไปเนะี่ยอยากให้เราได้มาสัมผัสความสุขที่ที่เกิดจากการที่ไม่สนองตัณหาเป็นความสุขที่เกิดจากการเบาจิตเบาใจเนะี่ยมันจะเป็นความสุขที่ปาณีิ แล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ได้เจือได้โทษนะนะเป็นความสุขที่ไม่ไม่เกิดโทษทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ไม่เกิดโทษต่อผู้อื่นนะถ้าเราทําชีวิตของเราให้สามารถทำผ่านกับความสุขที่ที่ปราณีตขึ้นนะเป็นความสุขที่ไม่ปเกิดโทษเนี่ยชีวิตของเราก็มีแต่กรรมที่ดีหรือก็เป็นกรรมที่ไม่มีผู้กระทํากรรมดีนะ นะหรือผู้กระทำกรรมชั่วก็พ้นจากบ่วงของกรรมก็ได้นะวิบากมันก็เกิดขึ้นแค่กับกายนะแต่ไม่เกิดขึ้นกับจิตใจอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่เป็นผู้เพียงแค่กลัวชั่วแล้วก็ทำความดีแต่เราจะทำไงให้จิตของเราเป็นอิสระนะจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นอิสระที่เหนือบุญเหนือบาปนะเหนือชั่วเหนือดีเหนือเหตุเหนือผลนะ แต่ก็ยังอยู่กับโรคได้เหมือนคนปกติแต่จิตใจเราไม่ติดนะเหมือนกับใบบัวนะไม่ติดกับน้ำไม่ติดกับโคลนตมนะมันก็อยู่ด้วยกันได้นะแต่มันไม่ติดนะเราอยู่กับโรคทั่วๆไปแต่เราไม่ติดกับโรคนะเราอยู่กับความสุขความทุกข์ของโรคแต่เราเป็นผู้เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์นะเราอยู่กับกายที่มันทุกข์ แต่เราไม่เป็นผู้ทุกเนี่ยเราสามารถทาได้นะนะถ้าเราต้องการที่จะทาเนี่ยแนวทางนี้แหละพระพระเจ้าท่านบอกว่าเป็นทางเอกนะที่เราได้สวดสติปัฏฐานสูตรนั่นแหละเป็นทางเอกนะที่จะทำให้เราพ้นจากความจากโลคได้นะก็คือถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้โลกในที่นี้ร่างกายเราก็เรียกว่าโลกนะ สิ่งที่เราเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าโลคเหมือนกันนะถ้าเราถอนความพอใจความไม่พอใจได้นะอันนั่นแหละเราไม่ติดกับโรคแล้วนะเราเป็นอิสระจากมันแล้วเราจะเดินสติก็เพื่อ น, นี่แหละถอนความพอใจและความไม่พอใจนะในโลคออกเสียได้นะแต่หลายคนก็จะคิดว่าชีวิตแบบนี้มันแห้งแรงเนาะมันไม่สนุกมันไม่มีสีสันนะแต่จริงลองสัมผัส แต่จริงๆเถอะมันไม่ได้แห้งแรงนะอ่ามันมีน้ําหล่อเลี้ยงนะอ่าอยู่เสมอคล้ายๆเหมือนกับอ่าในป่านะมีน้ํำซับมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆไม่เคยแห้งแต่ชีวิตของคนเราเนี่ยลองถ้าเราไม่มีเขื่อนเราไม่มีแม่น้ําอยู่ในบ้านเรามีแต่ก๊อกนะมีแต่ก๊อกน้ํามันไม่มีที่มาของน้ําเนี่ย เปิดก๊อกเท่าไหร่นะจะปั๊มน้ำเท่าไหร่ก็ไม่มีน้ำออกมาหลักนะเหมือนกับชีวิตที่คอยแต่ต้องสนองความอยากเนะีนะ่ยถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยใ ห, ให้ได้มาซึ่งความอยากเนะ่มันก็เกิดความทุกข์แต่ชีวิตที่เป็นอิสระเนี่ยเหมือนชีวิตที่อยู่ต้นน้ำนะมีบ่อน้ำที่ซึมออกมาบ่อยความสุขนะมันก็ซึมออกมาจากชีวิตจิตใจของเราได้นะถ้าเรา มีสติเป็นผู้เห็นนะถอนความพอใจและความไม่พอใจสิ่งต่างๆออกก็ได้นะ่ะเป็นความสุขที่เกิดจากการเบาจิตเบาใจนะ่นะถ้าเราสามารถสัมผัสได้เนาะแล้วก็เอาความเบาจิตเบาใจของเราเนั่ยแหละมาใช้กับตัวเราเองนะมาใช้กับคนอื่นรอบข้างนะ่ะเป็นทั้งประโยชน์ตนเป็นทั้งประโยชน์ท่านด้วยเนาะก็อยากให้ชีวิตพวกเราทุกคนนะเข้าถึงความสุขที่ปานี้ขึ้นนะ่ะ เราจะได้เป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในโลกนี้นะอย่างผู้ที่ไม่ทุกข์ใจ